torch นี้ไปเป็น 17 กุมภาพันธ์ 2545 ที่หมู่ อ่าเจริญธรรมทุกๆคนตอนนี้เนี่ยพลึกสึกกว่ากระแสของความเป็นอโศกเรานี่มันก็แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านวัตถุมันก็เกิดทั้งด้าน ยืนยันเรามีอ่ายืนยันเพื่อที่จะให้เขารู้เขาเห็นตอนนี้มันก็ มันก็สายเชื่อมสายต่อเนี่ยนะมันไม่เร็วนักแต่มันก็อาตมาก็ ทำเองคนเดียวแต่ก่อนนี้สมัยแต่แต่ดึกดำบันหอบพี่หิวกระถุงอะไรไปกันโอ้โหแบกกดแบกบาดไปใส่รถไปขับรถ ก่อนนี่บางทีก็ก็ไม่นอนทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกเพิ่งจะเริ่มต้นเราก็ยังไม่มีเรื่องอะไรกระทั่งเอ่อสง อ่ะเปิดฉากบุกเราเริ่มเริ่มมีการแบ่งแยกเริ่มมีพอ 32 ก็จับ 18 18 ออกไปออกไปเป็นกองทัพธรรมอ่าเป็นคณะกองทัพธรรมออกไปอ่าเผยแผ่แต่ก่อนเนี่ยโอ้อะไรกันโอ้โห นอกจากฝนแล้วอยู่เออเราก็ไปตรอนตรอนไปกันแต่ก่อน<คร> นะพอมีโชคดีอยู่หน่อยมีเค้าเรียกอะไรของคุรุสภาเลขาธิการเลขาธิการคุรุสภาชื่ออะไรนะเอ่อจรูนนี่มีคุณจรูนมิลิน อ่าเราก็ไปกันได้ทีละ 10,000 บาทไปอ่า แล้วเราก็แข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้มากกว่าเก่าๆอ่ากระทําวิธีเผยแพร่วิธีที่ถ่ายทอดทํา รู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมากระแสมันก็ดีเราเองเป็นหลักเรายืนยันว่า อาตมาว่าเราไม่ได้มานั่งแกล้งนะ อย่างงี้น่ะนุ่งห่มอย่างงี้ล่ะเป็นสามันไม่ มีที่พักที่หลับที่นอนของเราก็ขนาดนี้เนี่ยเราก็พอจริงๆใจแล้วก็ ก็ทําได้นะพวกเราก็ทํากันอยู่พอเป็นพอไปเข้าหาหลักมักน้อยสันโดษอ่าเข้าหาหลักเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายมักน้อยสันโดษอ่า <c oughs> ศีลของแต่ละบุคคลก็มันก็สูงขึ้นเป็นอติศีลเคร่งขึ้น <c oughs> มีปัญญาที่แท้จริงมีความรู้ของจริงปัญญาคือความรู้ที่รู้ของจริงตาม น่ะเรียกว่ากะๆนี่ๆเนี่ยเรียกว่าญาตปริญญาแล้วก็รู้จักตัววิเคราะห์วิจัยสังขารอาการๆ เวทนาคืออาการยังไงของจิตมันเป็นนามธรรมอาการลิงคณิมิตเวทนารวมแล้วมัน นะแล้วเนี่ยรูปในภายในมันก็เป็น เป็นเป็นสัญญาอย่างไรอ่านความรู้สึกพระหรือเจตสิกเป็นอย่างเวทนา 2 แล้วเวทนา 3 สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขม เรามีความรู้ละขณะนี้จิตเราเกิดๆมันเออตอนนี้มันสุขสุขก็รู้ว่า สุขอย่างไม่เหมือนโลกิยะที่เราได้เสพไอ้เสพอะไรที่มัน อัตตทัสสะสุขหรืออัตตานะไม่ว่าจะเป็นอะไรอัตตาแล้วแต่แต่โอราธิกอัตตามโนมย ทำไมว่าแผ่นดินอ่าบ้าน 2 เรือนชานทรัพย์ศรีคานตัวบุคคลสัตว์ต่างๆนี่หมาของเราหมูของเราแมวของเรานั้นอัน ใครแตะไม่ได้อะไรๆเป็นของหยาบใหญ่ส่วนมโนมยอัตตานั้นเป็นอัตตาที่เราปั้นในจิตนะมันหูจมูกลิ้นกายใจธาตุ ถ้าไปอยู่ข้างในก็ถือว่าเป็นรูปปพภ์นอกก็เรียกว่ากามๆมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงจริงๆก็ จมูกลิ้นกายก็ไม่มีวัตถุปั้นสําเร็จด้วยจิตรูปเรียกว่ามโนมยัตตาปั้นเสพตัวเองไป โกรธทัศน์ของตนเองทรงเองรับนั่นน่ะปั้นรูปเซไปๆอ่าเราไม่เผลอตัวมันก็ไม่กระไรเผลอตัว สะกดจิต นะเล่นกับปฏิภาณนี่ก็คือปั้นแล้วก็หลับ แต่ก็เห็นเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินนะแม่ก็ทั้งบอกว่าให้เพ่งไปกับลมนะลมหายใจพาไปโอ้โหเข้าไปเห็นลำตับเห็นปอดเห็นอะไรต่ออะไรหว่าไปว่าเพ่ง คนก็มีแต่กระดูกคนหรือบนกระดูกเรื่องเนื้อหนังมังสาเดี๋ยวมันก็เน่าก็อะไรก็เพ่งลืมตาขึ้นมาก็เห็นเน่าอะไรนี่ก็ได้เห็นแม้ก็ต้องลืมตาขึ้นมาก็เห็นปั้นเป็นรูปเป็นร่าง เห็นรูปพระอาจารย์อยู่บนพระอาทิตย์เห็นดวงพระแว่นนั่งอยู่บนที่เมฆอะไรเนี่ยเห็นไปหมดแล้วมันไม่จริงหรอกมันไม่อะไรแต่ มีรูปชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็อะไรก็แล้วแต่มโนไม่อัตตาก็ ยึดสักสีของเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนสักสีมีจั๊กเลยแต่ตัวน้อยๆเล็กๆ มันจริงมันจังอย่างเลยนะยึดศักดิ์ยึดศีต้องของค่าค่าต้องแน่กว่า เพราะเราต้องเรียนรู้ด้วยอารมณ์พวกนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะมีความรู้ อัตตาคือความจริงเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาของพระพุทธเจ้าเป็นนักเรียนที่มากมายน่ะเมื่อ แต่นักปฏิบัติธรรมนี่จะต้องเห็นว่ากิเลสเนี่ยสําคัญกว่างานบางทีงานมันจะเสียบ้างแต่เราก็ลดกิเลส คนอื่นนี่จะทําเชียร์ต้องจังฆ่ามันถึงจะดีหมู่มันจะเสียมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ ก็ว่ากันนึกนั่นแหละมันก็ แต่ทำเนี่ยที่จริงเนี่ยน่าจะถูกกว่าด้วยเพราะว่าเรา เพราะงั้นเรียนรู้หัดลดอัตตาลดกิเลสของเราไปเถอะจนกระทั่งเราลดหมดแล้ว ขรุตรูตตนเราแล้วก็เอามาประกอบกับทุกอย่างประกอบกับธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกับเป้าหมายเนื้อหา หรือมีหมู่พวกเราหน่อยนึงหมู่คนอื่นก็มากกว่าในมวลหมู่ของ เรเราก็ต้องต้องรู้จักบริษัทจะเทศหมู่นี้จะเทศยังไงจะพูดยังไงจะทํายังไงหมู่นี้เราจะวางตัวยังไงในหมู่นี้เราจะ แต่ละบุคคลไม่เท่ากันเราก็จะเกิดสัปปุริสธรรมพวกเนี้ยฉลาดขึ้นเรื่อยรู้จักหมดธัมมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตา มีหมายความว่าอะไรมีก็คือหมายความว่ามีความเข้าใจมีความรู้ว่าอะไรมีก็คือหมายความว่ามีความเข้า อตัญญุตตาก็รู้เนื้อแท้รู้แก่นๆแค่ไหนเรา ตัวเองจะทำตัวเองอย่างไรหรือตัวเองมีจริงเท่าไหร่อย่างไรแม้มีจริงแล้วเค้าการถ่อมตัวไว้ดีแม้เค้าจะ อาตมาถ่อมตัวกับพวกคุณนี่ถ่อมตัวอย่างอย่างไม่มากเพราะพวกคุณเชื่อถือไม่ต้องถ่อมได้ไปที่อื่นต้องๆถ่อมตัว ยกให้เอาหน้าท่านมีเท่าไหร่ท่านเทศน์ได้ฟังหน่อยท่านมีเท่าไหร่ท่านแสดงได้แล้วก็พูดจริงๆหรือ แล้วมนุษย์ที่เจริญจะเป็นสัตบุรุษได้ 7, 7 ข้อนี่เป็นคืออะไรก็ตาม ถ้าวิเคราะห์แยกออกมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแยกไว้ชัดแล้วชัด ยอดประเสริฐยอดมนุษย์ยอดสัตว์โลกสัตตบุรุษอ่าเป็นคนยอดยอดมนุษยชาติเพราะงั้นให้ แต่อรหันต์ที่ ก็กระทั่งหลงไปทำประโยชน์ข้างนอกหมดตัวเองไม่รู้ตัดกิเลสตัวเองไม่ได้หนักเข้าสัทมหายาน นับถือแต่โพธิสัตว์นับถือแต่อะไรจนโพธิสัตว์กลายเป็นคนใต้ต้นโพนะ ไปหมดส่วนทางด้านเถรวาทก็เอาแต่นายเอาแต่ข้างในตนเอาแต่พระอรหันต์อรหันต์อรหันต์อาในจิตก็ โตงอัตตาอยู่ในมหายังก็โตงไปในข้างนอกโลกโอ้โหกว้างขวางโลกวิทูปหูสูตอะไรไปจริงๆ ในเมืองไทยนี่เถรวาทเมืองไทยนี่เป็นมหายานไม่รู้เรื่องเป็นโพธิสัตว์แบบแบบนึงเป็นๆ ไม่ใช่ปฏิสารปกติที่เอาประโยชน์ข้างนอกสอนเค้ารู้เค้าเรียนรู้ตรรกะเหตุผลเรียนรู้ นะเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ําไปเป็นพระทุฑงทุฑงมันแปลว่าศีลเข็งแต่ใน ออกป่าออกดงไปจะไปหายไปตกภูเขาตายตกทําตายสัตว์กัดตาย เข้ามาโอ้โหหน่วยรอดใหญ่เลยสร้างจริงมันได้ฝึกซ้อมในความแข็งแกร่งบุกป่าเนี่ยป่านี่น่ากลัว ลอยไม่เป็นคนเมืองกันมาหลายพัน เส็งเสื้ออะไรอยู่ในป่างั้นมันไม่ใช่ อ่ะป่าก็ให้เป็นธรรมชาติอันนึงส่วนหนึ่งอย่างนึงที่เราจะใช้สอยมันเป็น มดรุเข้าไปในป่าอีกนะไปอยู่ป่าไม่มีเรื่องวุ่นมันไม่มีปรุงแต่งอะไรมากมายก็ใช่นะมันก็ใช่ กินก็ประมาณไม่ติดรูปติดรสติดกลิ่น เราก็ลดลงได้จนกระทั่งมันแล้วอันอื่นก็จะงุ่นอย่างนี้ก็ไอ้มันพอกันเหมือนกันน่ะใช้สอยเครื่อง เสื้อผ้านาแผ่ที่พักที่อยู่ยารักษาโรคจนกระทั่งบริขาลหลายๆอย่างก็ไม่ อยากจะไปใหญ่อยากจะไปอวดไปอ้าง สรรโฎฐพอเท่านี้ก็พอกินตัวนี้ก็พอใช้ตัว หรือว่ารอดเพราะใจเรานี่มีปัญญาญาณบรรลุแล้วเห็นแจ้งเห็นจริงอย่างชัด พยายามเข้าใจไม่ใช่ว่าเราเห็นโอ้ของเขามันมาดีๆเนาะอยากได้ แม่น้อยมักน้อยได้แม่น้อยโอ๊ยเราไม่รู้หรอกเท่าเค้าไม่สวยเท่าเค้าไม่คุณภาพดีเหมือนอย่างเค้าอยู่ก็อ่านใจ แต่ก่อนแล้วก็เคยใช้นะตอนนี้มากดข่มใจไม่ใช้แล้วตอนนี้มาเห็นเขาเคยอยากใส่มันสวย มันไม่เจ็บหรือไงแล้วมันไม่รําคาญนึงไงมามันมันไปเม็ดคาน เออเค้าก็ทนได้ทนดีนะพวก ธุเรศใช้คําว่าธุเรศเลย ไม่บังหมองเสื้อผ้าสีหมองเพื่ออะไรเพื่อไอ้สุดตรงของโลกีย์มันก็เออพวกเราก็ ต้นเดียวนี้เนี่ยจนจริงๆดีมีดีแล้วมันโอ้โหมันพวกอโศกนี่นึกอย่างงี้นึกว่ามันไม่ เพราะนั้นศิษย์อาตมาพยายามทําพยายามนําพากันมาแต่มาถึงวันนี้เราจะเห็นผลแล้วพวกเราคนก็มองเค้าหมิ่นเค้าหยาม มองอะไรอย่างเงี้ย แต่มือมันยังไม่ออกเท่าเราก็ต้องรู้ตัวแล้วเนี่ยโธ่มันไม่นิ่งนะเรายังใจยังขึ้นอยู่นะนี่ยังถือ เรเราก็ดูตัวเราบ้างก็แล้วกันว่า อย่างน้อยก็ก็มีปัญญารู้เพราะเอ้อพวกนี้มันประหยัดมันลดมันละมักน้อยสันโดษเพราะเมืองไทยเมืองพุทธเคยได้ อย่างนี้เป็นต้นเค้าก็รู้ๆเนี่ยมันมักน้อยมันเหนือชั้นระดับมักน้อยคือไปว่านี่ ก็ก็รู้ว่าดึกๆซอนไปอีกเออจริงแต่เค้าก็จมไม่ลงหรอกเค้าก็อยู่อย่างนั้น แต่รถก็ไล่แต่ใดลงไปก็มาอย่างเรามากขึ้นมากขึ้นมากจนกระทั่งออกโอ้กว่ามันจะเลื่อนหลายกว่ามันเอาแต่แต่พวกคุณกันแต่แต่ละคน อ่ามานี่กับมาเออเป็น <im> <sore> หนักเข้าไม่ต้องปลอมเลยเอามันตัวอโศกนี่ออกไปข้างนอกเลยแต่งมันยังอโศกนี่เข้าไปข้างนอกเลย อโศกโดโดเดๆแหมพวดพราดไปหมดเลยคือมันแรงไปอ่ะมีเหมือนกันมีบางส่วนบางอันนะมันมากไปแรงไปจนเกิน กลิ่นนี่ๆแล้วคนเนี่ยมันเหม็นกลิ่นคนนี่เหม็นทั้งขาวทั้งคนนี่เราไม่อาบน้ําสัก 2 3 วันน่ะเหม็นเน่าแล้วเหม็นน่ะแบคทีเรียออกมาเยอะเลยออกจริงๆตัวเราๆแม้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 เมนขี้เต่านั่นแหละขิวเมนขิวขี้เต่านั่นแหละเมนขิวนะมันจะเมนเมนออกไปทางเน่าๆพวกโอโซนนั่นกินข้าวขาวอย่าง นะคนมันเหม็นจริงๆเพราะงั้นเราก็ต้องเบอร์ไปนั่นไปนี่เข้าหมู่กลุ่มก็อาบน้ําอาบสาดขบเกลือ ก็ปรับตัวเข้ากับสังคมมีมารยาทเพราะก็ดูอบรมให้เด็กแก พูดถึงเด็กๆพูดถึงการเรียนเด็กๆพูดถึงกักปี 5, 5 ยังไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นจะต้องหัด ฟรีพอร์ตต่างๆนั้นน่ะหัดบันทึกหัดด้วยเพราะว่าเป็นเนี่ยมันจะต้องรู้ทั้งสิ่งเก่งทําเป็นทําอะไรเป็นทํากับข้าว<เพ> มันไม่มันมันมันเก่ง ก็ไม่เอากันเข้มขรัดจนเกินการน่ะแต่ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครขยันจะทําตอนนี้เป็นหลักต่างๆพวกนี้เอ่อเราชื่ออะไรอะไรบ้างเดี๋ยวเอ่ออรายาปัญญานิพนธ์นั่นนั่น <t ih ana> ไม่ใช่ปฏิบัติวิทยานะก็มี 2 คําคํานึงคือปฏิบัติ ความรู้ในการปฏิบัติแต่ละเรื่องแต่ละคราวเราชำนาญอะไรอ่า หรือว่าพวกเราที่เป็นคุรุอ่านกันเก้อ 5 ปี 6 เนี่ยพอถึงปี 6 ไปทําอย่างนี้ได้แล้วทีเรา 6 เราถึงไป 5 กัน ก็แล้วแต่เพราะมันไม่ทําอะไรเลยมันไม่พยายามมีปฏิบัติวิทยาไม่มีปัญญานิพผลอะไรเลยไม่มีการสื่ออะไรใครได้เลยทําเก่งอยู่คนเดียวตายไปแล้วก็ศูนย์ไปกับคุณนั่นแหละมันก็ไม่เรื่องอะไรนะเพราะมันก็ต้องพอได้บ้างนะพอได้บ้างอย่างน้อยจบพอได้บ้าง มหาวิทยาลัยมันตรงไปแต่แค่ทางด้านโลกเค้ามันโต่งไปแต่แค่ ปฏิญาเอกแต่ปัญญาปฏิญาโทนี่ก็เอาของคนอื่นเอามาต่อมาเก่งไอ้ตอนเรียบเรียงก็ ไอ้พวกรานีเป็นที่เนื้อแต่ต่อให้ใครไม่ได้พวกนั้น 100 ปีปีเป็นครูเป็นเก่งเค้าก็ต่อไปเรื่อยบอกคนได้สื่อเข้า เพราะเราเป็นจะซื่อไม่ได้ซื่อไม่พวกเรานี่เป็นแต่เราตายแล้วศูนย์พวกนั้นเค้าไม่ศูนย์เห็นมั้ย เป็นจริงเหมือนเพราะงั้นเราต้องจําเป็นที่จะต้องสื่อเป็นด้วยแสดงออกเป็นด้วยบันทึกได้บันทึกมัน ที่ปรักษาด้วยการท่องการบอกการจํากันประพันธ์การเขียนกับไม่ได้เขียนมีแต่พูดประพันธ์ เตรียมบันทึกอาตมามั่นใจว่าในการศึกษาของเรานี่อะไรวิชาชุมชนวิชามนุษยชาติในสังคมมนุษยชาติวิชาอะไรวิชา วิชาชีวิตอีหลียังไม่รู้หรอกมันจะเป็นยังไงอ่ะอย่างงี้แหละเราก็อยู่รอดเพราะว่าเรา แบ่งแผนกเป็นวิชานั้นวิชานี้ค่อยๆแบ่งไปไม่เป็นไรหรอกตอนนี้วิชาเดียวโอ้ชื่อเท่จริงพุทธชีวะก็ชีวะชีวิตนี่แหละอย่างมีศิลปะในการยังชีพมีศิลปะในการมีชีวิตอยู่ในหมู่ ตั้งชื่อมาก็ไม่ วิชาใหญ่ๆวิชาเดียวๆหลายอย่างอยู่เพราะฉะนั้นใครจะถนัดอะไร 5 วิชา 8 วิชาอะไร อ่า 5 วิชาเอา 5 วิชาก็ได้ไม่ต้องเอามากหรอกไม่ต้อง 5 วิชาอ่าทํารีพอร์ตสัก 5 อย่างโหรอดเหมือน จนกว่าเราจะแน่จริงจนพวกเรานี่แหละต่อไปในอนาคตอาตมาจะรู้เลยว่าเลือดอโศกจริงๆน่ะมันยังไม่จะไปแลหรอกไอ้ไปใบปริญญาถัง จริงจริงทําเป็นทําได้ใช่มั้ยเราเน้นของจริงส่วนในความ อะไรแต่พวกนี้แต่เราก็ต้องมีปฏิพานคลควาในอะไร ท้ายของเราว่าของพวกเรานี่สมบูรณ์ศิลปเด่นเป็นงาน 3 ตัวนี้แหละศิลปเด่นเป็นงานชาญวิชาเนี่ยจะ Ja,